เท้าที่พูดมาตอนนี้ต้องการเน้นความสองประการคือหนึ่งปัญญาวิมุตตใช้ในกรณีเดียวคือหมายถึงความหลุดพ้นที่เด็ดขาดแน่นอนจะมาคู่กับเจโตวิมุตตอย่างนี้เสมอส่วนเจโตวิมุตตอาจใช้ในกรณีอื่นด้วยดังนั้นถ้าหมายถึงความหลุดพ้นเด็ดขาดขั้นมรรคผลตั้งแต่โสดาปฏิพันธขึ้นไปเจโตวิมุตตจะต้องมาด้วยกันกับปัญญาวิมุตตอย่างข้างต้นนี้ หรือมิฉะนั้นก็ต้องมีคำวิเศษกำกับไว้ด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับระบุให้ชัดว่าเป็นขั้นสุดท้ายเด็ดขาดเช่นอากุปปาที่แปลว่าไม่กำเริบอสมัยะที่แปลว่าไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นต้นดังจะได้กล่าวต่อไปแต่ถ้าเจโตวิมุตรมาคำเดียวตามลำพังหรือมีคำอย่างอื่นกำกับย่อมมใช่เจโตวิมุตขั้นสุดท้ายที่เด็ดขาดสมบูรณ์ ความที่ต้องการเน้นประการที่สองเมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้บรรลุอรหัตผลโดยแบ่งเป็นปัญญาวิมุตตกับอุปโตภาควิมุตินั้นพึงเข้าใจว่าปัญญาวิมุตต์ซึ่งดูเสมือนจะให้แปลว่าผู้ได้ปัญญาวิมุตตอย่างเดียวนั้นอันที่จริงย่อมได้เจโตวิมุตต์ด้วยเพราะการได้ปัญญาวิมุตต์อความคุมถึงอยู่แล้วว่าต้องได้เจโตวิมุตตด้วย เป็นแต่หมายถึงเจโตวิมุตต์แบบที่อาศัยสมาธิเพียงเท่าที่จำเป็นซึ่งจะต้องมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วก่อนที่จะได้ปัญญาวิมุตต์จึงไม่ต้องระบุให้เด่นชัดออกมาเหมือนกับพูดว่าผู้เจริญวิปัสนาอย่างเดียวแต่ความจริงก็คือต้องอาศัยสมถะเพื่อใช้สมาธิเท่าที่จาเป็นด้วยนั่นเองส่วนอุปโตภาควิมุตตที่แปลว่าผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วน ก็เสมือนย้ำให้แปลว่าพูดได้ทั้งเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตตเหตุที่ย้ำก็คือว่าในกรณีนี้เน้นคำว่าเจโตวิมุตตให้เด่นชัดออกมาเพราะเจโตวิมุตตที่เน้นในกรณีนี้ไม่หมายถึงเพียงเจโตวิมุตต์อย่างที่จำเป็นต้องมีเป็นธรรมดาอยู่แล้วในขณะที่ได้ปัญญาวิมุตตแต่หมายถึงเจโตวิมุตตในความหมายที่เป็นพิเศษออกไปคือวิโมหรือฌานสมาบัต ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้นย้อนกลับไปหาต้นสับคือคําว่าวิมุตต์อีกวิมุตต์วอแวนสระ อ, อิมอมาสระอุต่อเตา่าต่อเตา่ตเตาสระ อ, อิที่ใช้ตามความหมายอย่างกว้างหรืออย่างหลวมล ม, มีมากในยะหลายระดับสําหรับระดับที่ยังไม่ใช่ขั้นสูงสุดส่วนมากท่านใช้คําว่าเจโตวิมุตแทนเพราะเจโตวิมุตบ่งอยู่ในตัวแล้วว่า ยังไม่ใช่วิมุตขั้นสมบูรณ์เด็ดขาดและตามปกติวิมุตในระดับต่ำลงมาก็มักเป็นเรื่องของการหลุดพ้นด้วยกำลังจิตหรือกำลังสมาธิทั้งนั้นนอกจากคำว่าเจโตวิมุตแล้วคำพีชั้นรองลงมาบางคำพีนิยมใช้คำว่าวิโมกแทนในที่นี้จะงดใช้คำว่าวิโมกโดยถือตามคำภีชั้นต้นซึ่งนิยมใช้วิโมกเฉพาะในความหมาย ที่อธิบายมาแล้วในบทที่7ข้างต้นแต่ไม่ว่าจะใช้คำว่าวิมุตตหรือเจโตวิมุตตหรือวิโมกก็ตามท่านมักใส่คำวิเศษลงกํากับไว้ด้วยเพื่อจํากัดความหมายให้อยู่ในขอบเขตที่ต้องการเช่นสามายิกะวิมุตตสามายิกะเจโตวิมุตตสามายิกะวิโมกอัปมัญญาเจโตวิมุตตสันตเจโตวิมุตตเป็นต้นสามายิกะแปลว่า อันมีในสมัยอัปมัญญาแปลว่าไม่จำกัดขอบเขตไม่มีประมาณสันตะแปลว่าสงบประนีตละเอียดเมื่อใส่คำวิเศษกำกับทําให้ความหมายจำกัดอยู่ในระดับต่ำๆได้แล้วการใช้คำวิเศษที่ตรงข้ามกับระดับต่ำเหล่านั้นกากับลงไปก็เท่ากับทําให้กลับมีความหมายเป็นวิมุตในระดับสูงสุด หรือขั้นมรรคผลที่เด็ดขาดนั่นเองด้วยเหตุนี้การจำกัดความหมายโดยใช้คำวิเศษกํากับจึงกลายเป็นวิธีที่ท่านนิยมใช้ทั้งสำหรับความหมายในขั้นสูงสุดและความหมายในขั้นตามลงมา